หรือคติที่เราจะไปเกิดเราจะไปเกิดที่ไหนท่านบอกว่าของเหล่านี้กำหนดไม่ได้ฉะนั้นบางคนบอกว่าแม้เราปลูกบ้านไว้เนี่ยเพื่อที่จะได้นอนตายเป็นเรือนตายของเราแต่ปลูกเสร็จแล้วแทนที่จะได้ตายในเรือนเปล่าไปตายอยู่ข้างถนนก็มีไปตายอยู่ในน้าก็มีหรือบางทีไปตกเครื่องบินตายซก็มีอะไรเหล่านี้ เพรฉะนั้นจึงกําหนดไม่ได้หรอกที่ตายว่าเราจะตายที่ไหนเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีนิมิตรหรือเราจะบอกว่าถ้าจะตายก็ขอให้หัวใจวายตายเถอะเพราะว่าเร็วดีปุปับไปเลยไม่ต้องทรมานเราก็เลือกไม่ได้บางทีอาจจะต้องเป็นโรคมะเร็งตายทรมานซสียก่อนหรือเป็นโรคอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยทรมานจนแสนสาหัสแล้วจึงยอมให้เราตายซึ่งเราจะเห็นได้ว่าบางคนก็จะตายได้นี่ ทุรนทุรายเหลือเกินก็นเพราะว่าเนี่ยกรรมหล่อเลี้ยงไว้เราจึงเลือกโรคไม่ได้ว่าเราจะตายด้วยโรคอะไรเลือกไม่ได้เพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีนิมิตเนี่ยท่านจึงสอนไว้ให้เรานึกถึงความตายอยู่เสมอว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีนิมิตนี่เป็นการนึกถึงความตายประการที่หกประการที่เจ็ดท่านสอนให้เรานึกถึงความตายโดยการเวลาโดยกําหนดการเวลา กำหนดการเวลานั้นนะหมายถึงว่าให้กําหนดการเวลาของชีวิตสมัยอดีตเมื่อ 2,500 ปีล่วงแล้วในสมัยที่พระพุทธองค์ประกาศสัจธรรมอยู่ในสมัยนั้นมนุษย์มีอายุไขถึงหนึ่งรปีแต่ว่าการเวลาที่ล่วงเลยไปเนี่ยจะบอกหนึ่งรปีจะสั้นหนึ่งปีหมายถึงการเวลาที่ล่วงเลยไปหนึ่งรอปีอายุมนุษย์จะสั้นหนึ่งปีปัจจุบันนี้ การเวลาล่วงเลยมาแล้ว 2,500 ปีเศษก็แสดงว่าอายุของมนุษย์เนี่ยเหลือน้อยขาดหายไปแค่25ปีเราจะมีอายุไขกันเพียง75ปีเท่านั้นผลสุดท้ายเราก็จะต้องตายกันในที่สุดนี่ให้กำหนดการเวลาของอายุขยอย่างนี้ประการสุดท้ายให้ดึงถึงความตายโดยขนาดนิดหน่อยขนาดนิดหน่อยก็คือในขนาดที่ เราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนที่ไหนก็ตามความตายมีอยู่ทุกๆขนาดเช่นอาตมายืนพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ตายตายเหมือนกันความตายเกิดขึ้นแต่ละขณะแต่ละขณะเพราะความตายที่เป็นขณะเล็กๆ น, น้อยๆอย่างนี้เป็นความตายที่เกิดขึ้นชั่วขณะรูปนามเกิดชั่วขณะจิตหนึ่งจิตหนึ่งมีอุปาทะิฏฐิแล้วก็พังคะดับไป ท่านทั้งหลายนั่งฟังอยู่ท่านก็ตายอยู่ตลอดเวลาต่างกันได้ว่าความตายอันนี้ไม่ใช่เป็นสันตติโมรณะคือตายที่ขาดสันตติขาดแต่สันตติเนี่ยยังอยู่จึงดูเหมือนกับว่าเราเนี่ยไม่ตายความจริงก็ตายอยู่แต่ว่าสันตติที่มันสืบต่อมันยังสืบต่อกันอยู่เราก็ยังยังนั่งอยู่ได้ถ้าสัน ต, ติอันนี้ขาดเรานั่งๆก็จะต้องลม้มลงจากเก้าอี้ยืนอยู่ก็ต้องลม้ม นอนอยู่ก็ต้องหยุดหายใจเนี่ยเพราะฉะนั้นขณะนิดหน่อยให้เรานึกถึงอยู่ตลอดเวลาว่าเราเนี่ยตายอยู่เสมอเสมอแม้ปัจจุบันนี้เราก็ตายอยู่เนี่เป็นวิธีนึกถึงความตายแปดวิธีถ้าเรานึกถึงอย่างนี้อยู่บ่อยๆแล้วเราจะเป็นคนไม่กลัวตายนอกจากไม่กลัวตายแล้วผู้ที่นึกถึงความตายอยู่เสมอขณะนิดๆหน่อย ๆ, ๆอย่างเนี้ยก็ยังทาให้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ไม่ต้องเป็นทุกข์เกินไปนัก แม้ว่าเราจะมีปัญหาร้อยแปดันอย่างแต่ก็ขอให้เรานึกถึงความตายทุกๆขณะจิตจึงจะชื่อว่าเป็นคนไม่ประมาทท่านบอกว่าวันหนึ่งนึกถึงความตายครั้งหนึ่งยังประมาทเหลือเกินต้องทุกๆขณะจิตจึงจะชื่อว่าไม่ประมาทนึกถึงความตายวันละครั้งวันละครั้งพระพุทธองค์ยังตรัสว่าแม้เธอนี่ประมาทมากวันนึงนึกถึงความตายครั้งเดียวยังประมาท และท่านทั้งหลายลองคิดดูว่าท่านเคยคิดบ้างไมมว่าท่านจะตายแต่ละวันแต่ละวันบางคนไม่ได้คิดเลยกว่าจะคิดได้ก็เมื่อไปเห็นคนอื่นเขาตายแล้วเออเราก็ต้องตายอย่างนี้เหมือนกันไปได้ตอนนั้นอะ่ะจากนั้นไปก็ลืมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านฝึกได้ทุกทุกวันเนี่ยจะทำให้เรามีความสุขมากเพียงแค่ก่อนนอนนึกถึงทุกๆคืนก็ยางดี เช่นก่อนจะนอนก็ให้ทนทั้งหลายนึกถึงว่าท่านไม่ได้นอนนะแต่ท่านจะตายต้องนึกถึงว่าเราจะตายล่ละพอเองตัวนอนก็ต้องนึกว่าเราจะตายแล้วท่านนึกถึงว่าเราจะตายแล้วอย่างนี้ก็กำหนดลมหายใจเข้าออกและท่านก็จะตายชั่ว8ชั่วโมง7ชั่วโมงได้อย่างสนิทแล้วท่านก็ไปเกิดใหม่ตอนตื่นขึ้นแล้วก็ทำงานต่อไป แต่ว่าทุกวันจะต้องจะต้องตายทุกวันแล้วก็เราจะไม่กังวลคนที่มีภารกิจมากกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะไม่ได้นึกถึงความตายบางทีเก็บเอาเรื่องอะไรก็มไม่เป็นนอนคิดคิดจะนอนไม่หลับเป็นโรคประสาทเนี่ยเพราะเหตุว่าไม่ได้นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ก็ทําทให้นอนไม่หลับแต่ถ้านึกถึงว่าเราจะตายแล้วเราจะนอนหลับอย่างสนิททุกคืน มันจะตื่นหรือไม่ตื่นเราก็ไม่รู้เพราะว่าทุกๆคืนที่เรานอนเนี่ยมีคนนอนไม่ตื่นตั้งเยอะแยะมีบ่อยๆนอนหลับแล้วก็หลับไปเลยไม่ยอมตื่นเราก็ต้องนึกถึงอย่างนั้นบ้างว่าเราหลับแล้วเราจะไม่ตื่นอีกเราจะตายละแต่ถ้ามันตื่นขึ้นเมื่อใดเรามีภาระอะไรเราก็จะทำภาระหน้าที่อันนั้นต่อไปอย่างนี้ตลอดจนกว่าเราจะตายจากโลก ท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระวิสุทธิมร่มากในวันนี้จะได้เริ่มบรรยายในอนุสติข้อต่อไปคือกายคตาสติเมื่ออาทิตย์ก่อนได้พูดถึงเรื่องมรณานุสติคือการระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์ ใท่านทั้งหลายได้เข้าใจไปแล้วเกี่ยวกับหลักปฏิบัติในข้อนี้สาหรับในอาทิตย์นี้จะได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับกายยคตาสติคือการใช้สติระลึกถึงกายเป็นอารมณ์คำว่าระลึกถึงกายเป็นอารมณ์ในที่นี้หมายถึงระลึกถึงกายของเราเองทุกๆุกท่านเป็นอารมณ์ ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติอีกวิธีหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญอนุสติท่านทั้งหลายคงจะทราบความมุ่งหมายของการปฏิบัติแล้วว่าความมุ่งหมายในด้านการปฏิบัตินั้นผู้ปฏิบัติมุ่งที่จะให้จิตนี้ได้บรรลุถึงซึ่งความสงบทั้งในด้านของสมาธิจิต และเพื่อให้จิตนี้บรรลุถึงซึ่งความรู้ความฉลาดอันเป็นเรื่องของปัญญาจุดมุ่งหมายของการปฏิบัตินั้นก็คือเพื่อให้เกิดความมีสมาธิกับมีปัญญาสองอย่างสมาธิกับปัญญานั้นเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ที่แสวงหาความสุขทั้งในปัจจุบัน และความสุขที่ถาวรคือพระนิพพานเพราะความเป็นอยู่ในปัจจุบันภพนั้นเราปรารถนากันว่าเราจะอยู่อย่างไรในภพนี้จึงจะมีความสุขหรือได้รับความสุขในปัจจุบันนียอย่างแท้จริงก็บางท่านที่ไม่เข้าใจก็อาจจะเสียเวลาในการแสวงหาความสุข กันไปคนละหลายหลายสิบปียิ่งสแสวงหามากขึ้นเท่าไรแทนที่จะเป็นสุขก็กลับกลายเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นมาทั้งสิ่งที่เราสแสวงหากันนั้นบางท่านที่เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดแล้วในพบปัจจุบันนี้เราก็กลับกลายเห็นเป็นว่าสิ่งที่โลกนิยมนั้นกลับกลายเป็นความทุก อีกทางหนึ่งของผู้ที่สแสวงหาคือพูดถึงการสแสวงหาของมนุษย์ที่เกิดมาในโลกปัจจุบันนี้เราสแสวงหาอะไรกันหลายหลายอย่างที่ไม่เหมือนกันพระพุทธองค์ได้ตรัสถึงเรื่องการสแสวงหาไว้ที่เรียกว่าการสแสวงหาการมการสแสวงหาพบ และการสแสวงหานิ่ผ่านทันตรากไว้มีอยู่สามประเภทด้วยกันในปัจจุบันนี้การสแสวงหาที่เราสแสวงหากันอยู่นั้นก็เป็นไปในเรื่องทั้งสามประเภทนี้แต่ว่ามีเรื่องที่โลกนิยมอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งเรามักจะมีความเห็นคล้อยตามกันไปและมีความนิยมเหมือ น, อนกันหมด คือถ้าหากว่าโลกนิยมสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นเราก็จะทุ่มเทความนิยมไปในสิ่งนั้นซึ่งบางทีของสิ่งนั้นไม่มีค่าก็กลับกลายเป็นของมีค่าสำหรับมนุษย์ที่เกิดมาในโลกอย่างท่านทั้งหลายที่เป็นนักเลงกล้วยไม้ก็ดีหรือนักเลงนกเขาก็าดีผู้ที่นิยมกล้วยไม้บางประเภทนั้น กล้วยไม้ประเภทไหนที่เรานิยมกันมากราคาก็สูงนักเล่นนกเขานกเขาประเภทไหนที่เรานิยมกันมากนกขาวตัวนั้นราคาก็สูงทราบว่าราคานกเขาบางตัวแพงกว่าคนเะอีกเพราะคนบางคนที่ลวงไปขายตามซ่องบางคนก็เพียงพันเดียวสองพันเท่านั้นแต่นกเขาวบางตัวราคาต้องสองหมื่น แสดงว่านกเขาวนี่มีราคาดีกว่าคนบางคนเสียอีกหรือบางทีของต่างๆที่เรานิยมกันขึ้นซึ่งของสิ่งนั้นเป็นของที่ไม่มีค่าเลยแต่เมื่อเกิดความนิยมกันขึ้นมาของสิ่งนั้นก็กลับกลายเป็นของมีค่ามีราคาเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาทันทีเนี่ยเป็นเรื่องของความนิยมของโลกส่วนใหญ่ <c oughs> ปัจจุบันนี้โลกนิยมในด้านของวัตถุ เราก็จะแข่งขันกันในด้านของวัตถุว่าใครมีวัตถุสิ่งของมากๆคนนั้นก็เป็นคนมีหน้ามีตาโลกนิยมใครมีเงินมากคนนั้นเป็นเศรษฐีทุกคนก็มุ่งสะสมเงินกันเพราะเห็นว่าใครได้เงินทองไว้มากคนนั้นจะได้เป็นเศรษฐีการเป็นเศรษฐีนี่ก็ดีหลายอยา่างทําให้มีหน้ามีตามีคนเคารพนับถือ โลกก็เลยนิยมที่จะเป็นเศรษฐีกันมากขึ้นแม้แต่ด้านการแข่งขันทางด้านวัตถุธรรมอื่นๆก็อยู่ในลักษณะเช่นนี้ทีนี้ในมุมกลับถ้าหากว่าเราจะมาแข่งขันกันในด้านของนามธรรมคือในด้านของคุณธรรมความดีกันบ้างก็คงจะทำได้ไม่ยากนักเพราะการแข่งขันในด้านวัตถุกับคุณธรรมนั้น ก็มีลักษณะคล้ายๆกันถ้าเรามีความนิยมกันว่าใครมีอริยทรัพย์มากคนนั้นเป็นคนมีหน้ามีตาใครเป็นคนมีศีลละธรรมดีคนนั้นเป็นคนมีหน้ามีตามีเกียรติยศชื่อเสียงก็จะทำให้ทุกคนนี้แข่งขันในด้านของศีลละธรรมหรือแข่งขันกันในด้านที่จะสร้างความดีกันมากขึ้นถ้าโลกมนุษย์แข่งขันกันสร้างความดีมากขึ้น โลกมนุษย์นี้ก็จะมีแต่ความร่มเย็นความเดือดร้อนต่างๆก็จะหมดหายไปแต่ปัจจุบันนี้เราแข่งขันกันในด้านวัตถุเพราะฉะนั้นความเดือดร้อนต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกมนุษย์นี้จึงไม่มีทางที่จะหมดไปได้บางคนได้ประารุกว่าทำไมคนในปัจจุบันนี้จึงไม่ค่อยเกรงกลัวบาปกรรมกันนัก ทั้งๆ ท, ที่สักขีพยานต่างๆก็มีให้ดูอยู่เสมอๆเช่นอย่างคนที่ประพฤติชั่วมากก็ต้องตายไปอย่างคนอนาถาตายไปก็มีแต่คนสาบแช่งแต่ทำไมบางคนจึงไม่แสวงหาสิ่งที่ประเสริฐกว่านี้ตลอดจนความไม่เที่ยงของชีวิตก็มีอยู่แต่ทำไมบางคนจึงโลภมากทาเสมือนหนึ่ ง, งว่าตัวเองจะไม่ตาย อยากจะอยู่ในโลกเนี่ยไปนานๆแล้วก็มุ่งแสวงหาความสุขในปัจจุบันเนี่ยเป็นใหญ่ไม่คำนึงถึงอนาคตว่าตายแล้วจะตกนรกหรือไม่แม้แต่นรกกับสวรรค์ก็ไม่ค่อยคำนึงถึงเรื่องนี้ตามาเคยพูดว่าอยู่ที่ความนิยมของโลกถ้าหากว่าโลกเรามีความนิยมอย่างไร เราปรูกวังอะไรกันไว้สิ่งนั้นมันก็จะเป็นความประพฤติประจำจิตของมนุษย์ตลอดไปท่านทั้งหลายลองคิดดูว่าพอเราลืมตาขึ้นมาในโลกนี้พ่อแม่ก็สอนแล้วให้เป็นคนขยันทามาหากินครูบาอาจารย์ก็สอนอย่างนีงน้บอกว่าให้ขยันทามาหากิน สอนอย่างเดียวว่าให้หาแต่เงินแต่ทองส่วนในด้านเรื่องจุกจิกอื่นๆก็สอนโบราณก็สอนไว้และเราก็ถือเป็นหลักปฏิบัติมาถึงปัจจุบันนี้แม้แต่เรื่องอาหารการกินใครได้รับการอบรมมาในทางไหนก็จะยึดมั่นในเรื่องทางนั้นอย่างมั่นคงเช่นอิสลามมิตรชนที่เกิดขึ้นมาพ่อแม่ก็จะสั่งสอนลูกๆว่า แกไปกินหมูไม่ได้นะหมูนั้นสกปรกแต่ว่าพวกเราเองที่เกิดมาในตระกูลที่นับถือพระพุทธศาสนาพ่อแม่พวกเรากินหมูพ่อแม่ก็บอกว่าหมูอร่อยพอตื่นขึ้นมาเราก็เจอแต่เนื้อหมูตลอดเราก็กินแต่หมูกันมาถึงปัจจุบันนี้เราไม่เคยคิดเลยว่าเนื้อหมูนั้นสกปรกแต่อิสลามิกระชนนั้นเขาเห็นว่าเนื้อหมูเนี่ยเป็นเนื้อที่สกปรกเขาก็ไม่บริโภค แล้วก็ไม่มีโรคถึงปัจจุบันนี้ฝ่ายเรานั้นพ่อแม่ก็สั่งสอนมาว่าหมาเนี่ยเป็นสัตว์ที่สกปรกมากใครจะไปกินเนื้อหมาไม่ได้เราก็ถือมาอย่างมั่นคงว่าเราไม่กินเนื้อหมามาถึงปัจจุบันนี้ถ้าท่านทั้งหลายลองเปรียบเทียบกันดูว่าคนกินเนื้อหมูกับคนไม่กินเนื้อหมูนั้น ผลที่ปรากฏเกิดขึ้นต่างกันอย่างไรในปัจจุบันเนี่ยเทียบกันได้ชัดคนกินเนื้อหมูก็จะเป็นทุกข์เพราะหมูแพงคนไม่กินเนื้อหมูก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ว่าเนื้อหมูแพงเช่นอิสลาลราเมิกชนเขาไม่เป็นทุกข์เลยว่าเนื้อหมูจะขึ้นราคาหรือลงราคาแต่พวกเรานี่เสียอีกหมูขึ้นราคาก็โวยวายเดือดร้อนกันเป็นทุกข์เหลือเกินเห็นๆแล้วก็น่าสงสาร เพราะเหตุใดเพราะว่าเราเนี่ยกินเนื้อหมูถ้าหากว่ามีปัญหาถามว่าทําไมเราจึงไม่กินเนื้อหมากันบ้างล่ะเราก็จะตอบว่าเออก็โบราณเขาไม่กินกันมาเนี่ยตั้งแต่โบราณเนื้อหมาไม่กินนะ่ะเพราะว่าหมาสกปรกก็ไม่แน่นักหมาบางตัวสะอาดกว่าหมูเสีอีกเนื้อถ้าพูดถึงความสกปรกความสะอาดหมาสะอาดกว่าสะอาดกว่าหมู หมูสกปรกกว่าหมาแต่เรายังกินเนื้อหมูได้เราไม่กินเนื้อหมาและก็เรื่องเนื้อหมานี่ทั้งต่อหน้าและรับหลังเราไม่ยอมกินกินต่อหน้าคนก็ไม่กินรับหลังคนก็ไม่กินหรือเราเกิดไปกินเนื้อหมูลงไปในกระเพาะแล้วมีใครมากระซิบบอกว่าที่กินไปเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นเนื้อหมาทั้งนั้นเราก็อาจจะรีบคายออกทันทีทําไมเราจึงรงเจีดเนื้อหมาเหลือเกินตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนี้ไม่ยอมกินที่เป็นดังนี้เพราะเหตุว่า ความนิยมของมนุษย์นั้นเรานิยมกันมานานแล้วและพ่อแม่ก็พร่ำสอนเรามาอย่างนี้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันถ้าหากว่าเราจะใช้วิธีนี้ในด้านของศิลธรรมบ้างจะได้ไหมหมาน่าเปรียบเหมือนความชั่วถ้าเราจะสอนกันว่าเรื่องของความชั่วนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำทั้งใน ที่แจ้งและรับหลังจะได้หรือไม่และเราจะสอนลูกหลานเราว่าความชั่วเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรจะทำทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งในที่รับและในที่แจ้งถ้าหากว่าเราปลูกฝังลงไปได้ให้คนเกลียดความชั่วเหมือนกับเกลียดเนื้อหมาศีลธรรมก็จะดีขึ้นไม่ใช่น้อยและคนก็จะไม่ทำความชั่วทั้งในที่รับและในที่แจ้ง เนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องปัญหาเช่นนี้จึงขอให้ท่านทั้งหลายที่มีลูกมีหลานยังอยู่ในวัยเด็กแต่เราปลูกฝังในเรื่องนี้ให้เด็กของเราเกลียดความชั่วเหมือนกับเกลียดเนื้อหมาได้ก็นับว่าเราทำงานได้สำเร็จศีลธรรมต้องดีแน่นอนพอโตขึ้นเด็กทั้งหลายเหล่านี้จะเห็นความชั่วเป็นสิ่งที่น่าสยะสยงแม้แต่จะคิดกระทาก็รู้สึกละอายเหลือเกิน ถ้าเราปลูกฝังลงไปอย่างนี้ได้ศิลธรรมก็จะดีขึ้นและคุณธรรมทั้งหลายก็จะฝังอยู่ในจิตใจของมนุษย์เนี่ยถาวร น, นี่ถ้าหากว่าเรานิยมกันมากๆทาอย่างนี้มากๆก็จะเกิดประโยชน์แก่สังคมมนุษย์มิใช่น้อยวิธีการอันนี้เป็นวิธีการที่เราควรจะทดลองใช้กันดูจะมีประโยชน์มากในด้านของศิลธรรม ต้องปลูกฝังอยู่เสม อ, อยาเปิดช่องว่างอยาส่งเสริมให้เด็กของเรานี้ทำผิดทำชั่วเป็นอันขาดถ้าหากว่าอันนี้เป็นจัร ญ, ญาหรือเป็นหนักปฏิบัติสำหรับสังคมมนุษย์ในปัจจุบันแล้วเด็กที่เติบโตในรุ่นหลังแกก็จะเห็นเป็นตัวอย่างว่าความชั่วนั้นเป็นของที่ไม่ดีไม่ควรจะกระทอยางสมัยก่อนเนี่ยสังคมมนุษย์เรานิยมกันว่า ถ้าหากว่าตระกูลใดมารดาบิดาประพฤติดีปฏิบัติชอบชื่อเสียงของวงตระกูลนั้นจะได้รับการยกย่องตลอดไปโดยเราไม่ได้คํานึงถึงความยากดีมีจนแต่ในปัจจุบันนี้ความนิยมเช่นนี้หายไปเราไป น, นิยมที่วัตถุใครก็ตามที่มั่งมีสีสุขมีอำนาจวาสนาเราก็ยกย่องคนนั้น โดยไม่ได้คำนึงถึงว่าความมั่งมีสีสุขและอานาจวาสนานั้นได้มาอย่างไรเราไม่ได้คำนึงถึงเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ปัจจุบันนี้บุคคลไม่มีความละอายตบาปและไม่เกรงกลัวตบาปที่ได้กระทำขึ้นเนี่เป็นเรื่องที่เราควรปลูกฝังให้เป็นประเพณีหรือเป็นที่นิยมของคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลดีแก่สังคมมนุษย์โดยทั่วกัน ในเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นอยู่ที่ความนิยมเป็นส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้เรานิยมความงามแล้วเราก็ประกวดความงามกันอยู่เสมอเสมอทั่วโลกก็นิยมเพราะมีประกวดคนงามกันเรื่อยเดี๋ยวนางสาวไอ้ น, นันนางสาวไอ้นี่จนกระทั่งนางสาวประทูกโจรจะมีขึ้นมาบ้างแล้วประกวดกันเรื่อย ผลสุดท้ายจากการที่เราได้ส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องเหล่านี้ได้มีอะไรที่เป็นสาระประโยชน์และเกิดผลแก่สังคมมนุษย์บ้างเนี่ยเรานิยมความงามกันมากเออทตมาพูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะเหตุว่ากรรมฐานที่จะเรียนกันในวันนี้เป็นกรรมฐานที่ ตรงกันข้ามกับความนิยมของคนในปัจจุบันเพราะว่าเป็นเรื่องของกายยัคตาสติพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนให้เราพิจารณากายของเราเป็นอารมณ์แต่การพิจารณากายเป็นอารมณ์ในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงพิจารณากายในด้านของความนิยมทางสวยงามหรือทางทรวดทรงสันฐานแต่ให้พิจารณาถึงความจริงของกาย ที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเพราะว่ากรรมฐานข้อนี้มีประโยชน์อย่างมากมายท่านกลาดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำเอกอันภิกษุเจริญแล้วเพิ่มพูนให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสลดใหญ่ เพื่อประโยชน์อันใหญ่เพื่อความปลอดโปร่งแห่งโยคะเพื่อสติสัมปชัญญะเพื่อยานัทสนะเพื่อสบายในพบปัจจุบันเพื่อเข้าถึงซึ่งวิชาและวิมุตและผลทำอันเอกนั่นคืออะไรคือกายคตาสติแสดงว่าพระพุทธองค์ได้ ปรับยกย่องกายคตาสติเหล่านี้ว่าเป็นธรรมอันเอกว่าทัาพภิกสุหรือผู้ใดก็าตามที่เจริญให้มากแล้วทำให้มากแล้วย่อมได้รับความสรดอันยิ่งใหญ่ได้รับประโยชน์อันยิ่งใหญ่และได้รับความปลอดโปร่งจากโยคะอันยิ่งใหญ่ได้สติสัมปัญญะได้ยานัสสนะได้ความเป็นอยู่สบายในปัจจุบัน ประการสุดท้ายก็คือได้ถึงซึ่งวิชาและวิมุตตและผลเป็นขั้นสุดท้ายธรรมมันเอก น, นนี้ก็คือกายะคตาสติก็แปลว่าการใช้สติระลึกถึงความเป็นไปในกายเป็นอารมณ์และประทัดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่าใดบริโภคซึ่งกายะคตาสติภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าบริโภคสิ่งที่เป็นอมาตะ คือได้บริโภคในสิ่งที่ไม่ตายภิกษุเหล่านั้นซึ่งได้เจริญกายคตาสติได้บริโภคซึ่ง อ, อ ม, มาตะทำแล้วย่อมเป็นผู้ได้รับความปลอดโปร่งจากโยคะอ ม, มาตะเหล่านี้ย่อมไม่เสื่อมสลายไปเท่ากับได้บริโภคในสิ่งที่ไม่ตาย คาว่าภิกษุในที่นี้ท่านไม่ได้หมายถึงเจาะจงว่าเป็นพระภิกษุสงฆ์เพราะภิกษุในที่นี้หมายถึงผู้เห็นภัยในวัฏสงสารอย่างท่านทั้งหลายที่เป็นอุบาสกอุบาสิ ก, กาก็เรียกว่าเป็นภิกษุได้ถ้าท่านเห็นภัยในวัฏสงสารคือเห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดว่าเป็นทุกข์อันใหญ่หลวงของสัตว์เราก็เป็นพระภิกษุได้เหมือนกัน การบริโภคซึ่งกายยคตาสตินี้ชื่อว่าได้บริโภคสิ่งที่เป็นอมตะคือสิ่งที่ไม่ตายาพระภิกษุใด เ, เบื่อนายต่อกายยัคตาสติภิกษุเหล่านั้นก็ชื่อว่าเบือ่อเบื่อนายต่ออมตะคือต่อสิ่งที่ไม่ตายนี้นี่เป็นพุทโธวาทที่พระพุทธองค์ได้ตรัสยกย่องกายยัคตาสติซึ่งเป็นหลักปฏิบัติไว้ในที่นี้ ว่าเป็นธรรมอันเอกและเป็นอมตะธรรมคือเป็นธรรมที่ไม่ตายการปฏิบัติในข้อนี้จึงมุ่งให้เราได้พิจารณากายเป็นอารมณ์เป็นที่ตั้งโดยปกติแล้วร่างกายของเรานั้นย่อมเป็นสิ่งที่พิจารณาได้ง่ายเพราะว่าอารมณ์ของกรรมฐานข้อนี้มีอยู่ในตัวเราทุกคนไม่ต้องไปสแสวงหาจากภายนอก หรือไม่ต้องไปใช้วิธีการปฏิบัติที่ยากเย็นอะไรกว่านี้เพราะว่าเรามีอยู่ครบกันหมดแล้วทุกคนย่อมปฏิบัติได้ง่ายกว่าปัญหามีว่าการเจริญกายคตาสตินี้จะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรบ้างคือในบรรดาหลักปฏิบัติที่ท่านได้แสดงเอาไว้จาแนกออกไปโดยประเภทแห่งปัปพระ นั้นท่านจำแนกไว้มีถึงสิบสี่ปับพระด้วยกันคือมีอาณ า, าปานบับพระปิริยาปัถปัพพะจตุสมประชัญญะปัพพะปฏิกูรมนสิการปัพพระทาตุมนสิการปัพพะและสิวัติกาปัพพะ เซึ่งรวมทั้งหมดเป็นสิบสี่ปัพพระอันนี้เป็นหลักปฏิบัติที่ท่านได้จําแนกโดยประเทรภทปัพพระต่างๆไว้ทีนี้กายยัคตาสตินี้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้เป็นหลักปฏิบัติส่วนหนึ่งนั้นท่านได้ตรัสว่าผู้ที่เจริญกายยัคตาสตินี้แล้วย่อมได้รับอนิสงฆ์มาก ตาบอกพิสุจะไปอยู่ป่าอยู่เรือนว่างโคลนต้นไม้หรือไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งก็าตามถ้าปฏิบัติในกายคตสตินี้แล้วก็ย่อมจะได้รับอานิสงส์มากสำหรับในปรัภญาต่างๆเหลา่านี้มีทั้งเพื่อไปสู่ความรู้แจ้งที่เรียกว่าปัญญาและมีทั้งเพื่อไปสู่สมาธิกิจที่เรียกว่าสมาธิหรือ สมถะเพราะเวลาปฏิบัติอันนี้เราถกเถียงกันอยู่ว่าเป็นสมถกรรมฐานโดยเราแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นสมถะและอะไรเป็นวิปสนาเพราะสุดท้ายเราก็เลยเข้าใจเวาลาปฏิบัติประเภทนี้เป็นสมถะเมื่อพูดถึงสมถะแล้วเราก็มักจะเข้าใจกันว่าเป็นทางอ้อมนะักปฏิบัติบางท่านเข้าใจผิดคิดว่าเป็นทางอ้อมเสียเวลามาก ควรจะไปทางรับทางตรงจะดีกว่าก็คือไปทางวิปัสสนากรรมฐานคือจะอ้อมหรือจะตรงเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่หลักปฏิบัติแต่อยู่ที่ตัวบุคคลปฏิบัติเพราะตัวบุคคลเนี่ยสำคัญว่าปัญญาบารมีพอแก่กล้าจะไปทางตรงได้หรือไม่ถ้าไปตรงไม่ได้ก็ควรจะไปทางอ้อมหรือใครชอบอ้อมชอบตรงก็อยู่ที่ผู้ปฏิบัติเอง เพราะว่าการปฏิบัตินี้ก็เหมือนกับการศึกษาเหมือนกันใครมีปัญญาดีก็อาจจะเรียนรับได้ปีหนึ่งอาจจะขึ้นตั้งสองชั้นสามชั้นก็ได้แต่ใครปัญญาไม่ดีจะไปเรียนรับก็ไม่สําเร็จก็ต้องเรียนไปตามขั้นตามลําดับจึงจะบรรลุถึงจุดหมายการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันต้องคํานึงถึงปัญญาผู้ปฏิบัติว่าผู้ปฏิบัติผู้นี้สามารถไปทางตรงได้หรือไม่และผู้นี้สามารถไปทางอ้อมได้หรือไม่ ต้องพิจารณาถึงผู้ปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่การปฏิบัติในบัพเพาต่างๆเช่นอริยาปัตถบับก็ดีจตุสัมปชัญญบับก็ดีหรือในทาตุมรัสิการะบักบก็ดีทั้งสามอย่างนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสด้วยคมสามารถแห่งวิปัสสนาญาณได้ตรัสไว้ด้วยคมสามารถแห่งวิปัสสนาญาณทางนั้นส่วนสีวัติกาัพพาทั้งเก้านั้น ท่านตรัสไว้ด้วยสามารถแห่งอาทีนวานุปาานัสนาญาณแล้วก็อุดธุมาสกาอสุภะในกรรมฐานนี้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเอาไว้ซึ่งมีอยู่ในปัะพะทั้งเก้านั้นถ้าหากว่าพิจารณาในด้านของปัญญาแล้วก็มุ่งไปสู่ความเบื่อหน่ายมุ่งไปสู่ความเบื่อหน่าย ความกลายกำหนัดหรือความหลุดพ้นซึ่งก็เป็นเรื่องของวิปัสนาญาณมุ่งไปสู่นิพพิทายานเหมือนกันเพราะฉะนั้นการปฏิบัติในกายยัคตาสตินี้หลักปฏิบัตินี้ถ้าจะกล่าวว่าเป็นสมถะหรือเป็นวิปัสนาก็ขอตอบว่าเป็นได้ทั้งสองอย่างสมถะก็ได้วิปัสสนาก็ได้เป็นได้ทั้งสอง